ตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธภาษิตอตาหิอัตโนนาโโกหินาโทปรโรสิยาอัตนาหิสุดันเตนะนาทั่งลพติดุลพังแปลความว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากอธิบายความพระพุทธภาษินี้คุณหูของพุทธศาสนิกโดยทั่วไป มีการกล่าวถึงการเสมอมอญแง่ศาสนาเปรียบเทียบคําสอนเรื่องให้พึ่งตนเองของพระพุทธเจ้านี้เป็นคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะศาสนาอื่นๆโดยทั่วไปสอนให้พึ่งพระเจ้าเขาถือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่พึ่งอันกเกษมของมนุษย์ไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระเจ้าเป็นผู้ปรากฏอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและสําคัญกว่าอะไรหมดคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่ตลอดกาล แต่พระพุทธศาสนาสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ในความหมายขั้นสูงถ่านหมายความว่าในการทำความดีเพื่อไปบังเกิดในสวรรค์ก็ตามเพื่อบรุถึงพระนิพพานก็ตามบุคคลต้องทำด้วยตนเองให้คนอื่นทำแทนไม่ได้พระพุเจ้าครูอาจารย์และพ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อบรุษคุณนานุคุณต่างๆนั้นตนเองต้องทาเอง จะได้ครูดีสักเพียงหดก็ตามถ้าสิทธิ์ไม่ยอมทำตามสี่อย่างเดียวก็ไม่อาจศึกษาวิชาให้สาเร็จได้พ่อแม่ดีเพียงใดก็ตามสั่งสอนอย่างเลิศเลอเพียงใดก็ตามถ้าลูกไม่ยอมปฏิบัติตามสิ่งอย่างเดียวก็เหลวเอาดีไม่ได้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนคนอื่นๆเป็นเพียงองค์ประกอบเป็นผู้บอกชี้ทางแนะนําพร่ำสอนเท่านั้นอาคาตาโรตตธาคาตา ยิ่งอยู่เอยู่ในวัยเด็กซึ่งยังพึ่งตนเองไม่ได้ทุกคนต้องพึ่งพ่อแม่พี่น้องหรือญาติคนใดคนหนึ่งแต่ก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ด้วยนั่นเองเช่นการกินข้าวแม้จะมีคนอื่นป้อนแต่เด็กก็ต้องอ้าปากเคี้ยวกลืนและเครื่องย่อยอาหารช่วยย่อยอันหนึ่งเด็กๆย่อมมีความน่ารักอยู่ในตนทุกคนผู้ใหญ่ให้อุปการะเพราะความน่ารักหน้าอินดูของตนแม่พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์ว่าเมืงจากพู้ดบริษฐาศาก็เพราะท่านมีศีล อาศัยสิ่งของท่านเป็นที่พึ่งํานักถ้าเป็นพระทศกิจก็ไม่มีใครอุปถัมภ์บำรุงส่วนเรื่องที่พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นโดยใจความก็คือให้ถือพระรัตนตรัยในฐานะเป็นผู้บอกทางเป็นแสงสว่างในพ้นทางม่ใช่ให้ท่านมาทําความดีแทนให้ความดีเราต้องทําเองดังพระพุทธภาสิา ท, ทรงเตือนว่าตุมใหหิจิจังอาตตังอาฆาตาโรูตัาธะคาตา ความเพนเครื่องเผาบาปพันทั้งหลายต้องทําเองสถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นในที่บางแห่งทรงสอนให้พึ่งพระธรรมดังได้อธิบายแล้วคือให้ถือธรรมเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตชีวิตที่เดินตามาธรรมพบแต่บาปเดินตามธรรมพบแต่บุญต้นที่ปราศจากธรรมเป็นต้นที่ว่างเปล่าตนที่มีธรรมเป็นต้นที่เพียบพร้อมด้วยคุณค่าส่วนข้อว่าบุคคลผู้มีต้นฝึกดีแล้วย่อมได้ทีพึ่งซึ่งได้ตัวยากนั้น พระพะองค์ทรงประสงค์อธิพึงคือพระนิพพานซึ่งบุคคลสามารถถึงได้โดยวิธีเดียวคือการฝึกตนให้ดีเริ่มตั้งแต่การสำรมในศีลทำจิตให้เป็นสมาธิและอบรมปัญญาให้รุ่งเรืองพระราหัตผลนั้นคือที่สุดแห่งดีของตนท่านจึงว่าความเลี้ยงทำยิ่งหมดคือไม่มีอะไรจะต้องทำอีกส่วนกรรมชั่วยิ่งทำยิ่งมากทำเท่าไรไม่รู้จักหมดเหมือนยิ่งว่ายิ่งลึกคนอื่น แม้จะรักเราเป็นที่พึ่งของเราได้บ้างก็คงเป็นได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืนเหมือนการพึ่งตนเองพ่อแม่ผูดเต็มใจให้ที่พึ่งแก่ลูกก็เฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยู่เท่านั้นเมื่อลูกเติบโตพอจะหากินได้พอพึ่งตัวเองได้แล้วท่านก็พอใจให้ลูกพึ่งตัวเองมากกว่าเกาะท่านแจ่อยู่ตลอดชีวิตยิ่งกว่านั้นท่านเองก็มีวันตายส่วนมากก็ตายก่อนลูก ลูกๆจึงควรรีบขวนขวายพึ่งตนเองให้ได้ในวัยอันสมควรแล้วย้อนกลับทําตนให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่บ้างท่านจะได้ปลื้มใจว่าไม่เสียทีที่เลี้ยงมาด้วยความเหนื่อยยากพ่อแม่จะได้พึ่งลูกนั้นปลื้มใจเหลือเกินและโดยปกติเกรงใจลูกอย่างยิ่งสมัยที่พ่อแม่ต้องพึ่งลูกนั้นเป็นสมัยที่น่าสงสารลูกที่เลี้ยงพ่อแม่นั้นจะไม่ตกต่ํา ไม่เคยเห็นใครตกต่ำเพราะเลี้ยงพ่อแม่เลยกุศลแห่งความกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นให้ผลแรงและให้สม่ำเสมอเลี้ยงพ่อแม่อยู่ในบ้านเหมือนมีเทพเจ้าไว้คุ้มครองเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งคุณความดีเกี่ยวกับการเงินผู้หวงพึ่งตนเองควรจะเก็บเงินไว้ในคราวจำเป็นบ้างเช่นคราวเจ็บไข้ไม่สบายไม่ควรประมาทได้มาทล า, ายจ่ายหมดเท่านั้น ควรเก็บไว้ใช้ในคราวหาไม่ได้บ้างไม่ต้องเทียว ก, กู้ยืมหรือพึ่งพาอาศัยผู้อื่นหากเก็บไว้บ้างเพื่อใช้ในคราวจําเป็นย่อมมีความอุ่นใจกว่าผู้ไม่มีในการทํางานผู้พึ่งตนเองได้ในการทํางานไม่จําเป็นจะต้องประจบสอบพลอเพื่อให้ได้เลื่อนตําแหน่งแต่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนและพยายามปรับปรุงให้มีความรู้ความสามารถยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าท่านเป็นนายจ้าง ท่านต้องการหมายซึ่งบุคคลผู้ที่มีความรู้ดีมีความสามารถดีและมีความประพฤติดีท่านต้องการแต่ไม่แน่นักหากเขาเข้ากับท่านไม่ได้ท่านอาจไม่ต้องการเขาก็ได้ในการศึกษาเล่าเรียนเราจะยิ่งต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นคนมีความเชื่อมั่นในตนย่อมพยายามให้ได้ความรู้มาด้วยตนเองไม่ถามหรือลอกจากคนอื่นในเวลาสอบ คนที่ชอบถามหรือลอกจากคนอื่นแม้จะผ่านไปได้ในระยะต้นแต่จะมีภาระหนักดากอยู่เบื้องปลายเพราะตนไม่มีความรู้จริงยิ่งขึ้นไปชั้นสูงยิ่งลำบากและมักไปได้ไม่ไกลในการเรียนเป็นการลงโทษตนเองอย่างหนึ่งมินเกติศักแห่งตนล่วงละเมิดระเบียบข้อบังคับของสถานที่สอบหากกรรมการจับได้ถูกทำโทษห้ามสอบเป็นจำนวนปีบ้านให้ตกในวิชาที่ทุจริตนั้นบ้าน นอกจากต้องเสียเวลาแล้วยังต้องอับอายขายหน้าอีกเสียชื่อเสียงสกุลวงโดยเฉพาะทางคณะสงฆ์ในการสอบธรรมและบาลีนั้นใครทุจริตเมื่อถูกจับได้เขาจะประกาศชื่อในหนังสือเฉลยข้อสอบนักธรรมและบาลีนั้นชื่อจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดไปน่ากลัวจริงๆในการวางแผนอนาคตบุคคลผู้มุ่งพึ่งตนเองย่อมพร้อมเสมอที่จ ะ, ะเผชิญต่อความยากลาบากทุกอย่าง เพื่อบุกบันไปสู่ความสําเร็จในอนาคตแทนการอ้อนวอนเขาพยายามด้วยตนเองค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละน้อยแต่หนักแน่นมั่นคงมีความสุขด้วยการมองเห็นความก้าวหน้าของชีวิตไปปีละเล็กปีละน้อยทั้งทางด้านการตั้งตัวและความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจอนาคตเป็นสิ่งเราสร้างด้วยปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราดีอนาคตย่อมจะดีโดยไม่ต้องสงสัย ความจริงความช่วยเหลือจากภายนอกนั้นหากได้มาโดยง่ายก็จะทำให้ผู้รับเสียคนได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันจะทำให้เขาอ่อนแอคอยเหลียวหาที่พึ่งอยู่เสมอเมื่อถึงคราวต้องพึ่งตัวเองเข้าจริงๆก็พึ่งไม่ได้อ่าต้องเสียอนาคตไปทั้งชีวิตการทำงานด้วยความบากบัน่นพยายามในทางสุดจริตเป็นการสร้างอนาคตที่ดีอย่างหนึ่งและดูเหมือนไม่มีทางใดดีกว่าการทางานด้วยความบากบั่นอดทน พนาณาไปก็มีเรื่องจะต้องพูดอีกมากขอยุติด้วยความสมควรเพียงเท่านี้ก่อนหากให้พิสดารก็ควรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งต่างหากทีเดียวพระพุทธภาสิทธิเรื่องการพึ่งตนเองนี้พระศาสดาทรงสแสดงที่เชตวนารามทรงปรารบมารดาของพระกุมารกัสปะมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องมารดาของพระกุมารกัสปะมารดาของพระกุมารกัสปะเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤึก ขออนุญาตบรรพชาตั้งแต่พอรู้เรียนสาแต่มารดาบิดาไม่อนุญาตจนกระทั่งได้แต่งงานในวัยสาวเมื่อแต่งงานแล้วตั้งใจปฏิบัติสามีดังเทวดาต่อมาตั้งคันแต่นางไม่รู้ขออนุญาตสามีเพื่อบรรพชาสามีอนุญาตและนำนางไปสูส่สานักพิสุนีด้วยสักการะอันใหญ่ได้บรรพชาในสานักพิสุนีอันเป็นบริวารของพระเทวทัตทางนี้เพราะไม่รู้ ต่อมาคันของนางเจริญขึ้นภิกษุณีทั้งหลายมาทักถามว่าอะไรกันนี่นางตอบว่าไม่ทราบแต่ศีลของนางมิได้ด่างพร้อยเลยภิกษุณีทั้งหลายนํานางไปสู่สำนักพระเทวทัตถามพระเทวทัตว่าภิกษุณีนี้บวช ด, ด้วยศรัทธาแต่คันปรากฏขึ้นในขณะบรรพชาจะให้ทําอย่างไรพระเทวทัตนั้นคิดจะเพียงว่าหากเรื่องภิกษุณีมีคันนี้ รู้ไปถึงคนทั้งหลายเขาก็จะตำหนิได้ความเสื่อมเสียจากตกแก่ภิกษุณีผู้ทำตามโอวาทของเราดังนี้แล้วกล่าวว่าพวกเธอจงให้ภิกษุณีนี้ศึกเสียเถิดภิกษุณีผู้มีคันฟังคำของพระเทวทัตแล้วตกใจและเสียดายเพศบรระชาของตนเพราะบวชด้วยศรัทธาไม่ปราถนาจะศึกจึงกล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าบวชด้วยศรัทธามิได้เจาะจงพระเทวทัต ขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องเสื่อมจากเพศภิกษุณีเลยขอจงนำข้าพเจ้าไปยังสำนักพระศาสดาเถิดภิกษุณีทั้งหลายได้นำนางไปสู่สำนักพระศาสดาที่เชตวันารามกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบเพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่านางภิกษุณีนี้ตั้งคันตั้งแต่ก่อนบนรรพชาแต่เพื่อให้แจ่มแจ้งแก่คนทั้งหลายจึงทรงขอร้องให้พระเจ้าประเสริฐที่กุศลนางวิสาขา มหาอนาถปิณฑิกะจุละอนาถปิณฑิกะและจระกูลใหญ่ๆอื่นๆให้มาประชุมกันทรงให้พระอุบาลีเป็นประธานกรรมการสอบสวนคดีนั้นพระอุบาลีเมื่อคณะกรรมการพร้อมแล้วได้ขอให้นางวิสาขาพิจารณาสอบถามนางวิสาขาให้กานม่านเข้านำนางภิกษุณีเข้าไปในม่านพิจารณาดูมือเท้าสะดือและทองน้อยแล้วนับเดือนและวันดู จึงทราบว่านางตั้งคันตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัดจึงบอกความนั้นแก่พระอุบาลีเถระพระอุบาลีเถระจึงแจ้งแก่คณะกรรมการว่าภิกษุณีนี้เป็นผู้บริสุทธิ์คณะกรรมการได้แจ้งแก่พุทธบริษัททั้งปวงต่อมานางได้คลอดบุตรเป็นชายมีอนุภาพมากมีบุญอันได้กระทำไว้แล้วมากตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระวันหนึ่ง พระราชาเเสนธีโกศลเสด็จผ่านสำนักภิกษุณีทรงสดับเสียงเด็กร้องทรงทราบเรื่องตลอดว่านั่นเป็นเสียงบุตรแห่งภิกษุณีนั้นมีพระประสงค์จะสงเคราะห์จึงให้นําเด็กไปเลี้ยงไว้ในวังพระราชทานนาว่ากาศัศบและเนื่องจากได้อยู่ในพระบรมราชาลุกเคราะห์คนทั้งหลายจึงเรียกเด็กนั้นว่ากุมารกัศพบเมื่อรู้เรียงสาขณะเล่นกับเด็ ก, กอื่นที่สนามกีฬา กุมารกัดศพตีเด็กอื่นเด็กพู้นั้นจึงด่าว่าเอาว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่กุมารกัดศพทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาและทูลถามว่าใครคือมารดาบิดาของตนพระราชาตรัสบอกว่าหญิงแม่นมทั้งหลายนั่นแหละคือมารดาของเจ้ากุมารกัดศพไม่เชื่อทูลว่ามารดาต้องมีคนเดียวไม่มีมากอย่างนี้ขอพระองค์ได้ตรัสบอกความจริงเถิดเมื่อกุมารอ้อนวอนบ่อยๆ พระราชาไม่อาจปิดบังได้จึงได้ตรัสเล่าความจริงให้ฟังทูประการกุมการกสบทราบความจริงแล้วสลดใจจึงทูลขออนุญาตบรรพชาพระาพราชาทรงพระอนุญาตตามประสงค์เขาได้บวชในสำนักพระาศาสดาเมื่ออายุครบอุปสมบทได้อุปสมบทแล้วมีนาวะกุมการกสบเถระท่านเรียนกรรมฐานจากพระาศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าแม้ทํา ความเพียรพยายามปานใดก็ไม่อาจให้บรรลุคุณวิเศษได้จึงคิดว่าเราควรกลับมาให้พระสัสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปดังนี้แล้วมาเฝ้าพระสัสดาแรมคืนอยู่ที่อันทวันครั้งนั้นภิกษุที่เคยเป็นสหายกับท่านสมัยพระกัศศบสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุนาคามิผลแล้วบังเกิดในพรหมโลกลงมาจากพรหมโลกถามปัญหาสิ้าข้อกับ พระกุมารขัดศนั้นแล้วกล่าวว่าท่านจงไปเถิดนำเอาปัญหาทั้งสิบห้าข้อนี้ไปทูลถามพระศาสดาคนอื่นนอกจากพระศาสดาไม่สามารถพยากรปัญหานี้ได้สำหรับเรื่องปัญหานี้โปรดดูรายละเอียดในวามิกสูตรมาชิมานิกายมูลปานาฏพระไตรปิฎกเล่มสิบสองเรื่องที่สามแห่งโอปัมมวัคที่สามวันรุ่งขึ้น พระกุมการกัศบนำปัญหาเข้าทูลถามพระเท้องค์และได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อพระโทศพนทรงแก้ปัญหาจบฝ่ายมารดาของพระกุมการกัศพบจำเดิมแต่พระลูกชายออกบำเพ็ญสมณธรรมในป่าแล้วมีความทุกขโทมนนตเป็นเบื้องหน้าน้ำตาหลังหลายอยู่ทุกวันมิได้เว้นเพราะความคิดถึงบุตรวันหนึ่งที่บินทบาทเ็นพระกุมการกัศพบจึงรีบเดินเข้าไปร้องเรียกว่าลูกลูก วิ่งเข้าไปเพื่อจะจับต้องพระบุตรชายแต่พระเถระถอยเสียและไม่ยอมให้จับท่านคิดว่าหากพูดจาด้วยอย่างดีภิกษุณีผู้มารดาก็จะไม่สามารถตัดความรักความอะไรในเราได้มารดาจะเสื่อมจากมากผลอยากกระนั้นเลยเราจะพูดกับมารดาด้วยเสียงกระด้างดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าที่ยวทําอะไรอยู่ตั้งสิบสองปีจึงไม่อาจตัดแม้ซึ่งความรักได้นางในฝั่งนั้นคิดว่า คำแห่งลูกชายของเราอยากริงถามซ้ำอีกว่าท่านพูดอะไรนั่นเมื่อพระเถระพูดอย่างเดิมนางจึงคิดว่าเราไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ร้องไห้เพราะระลึกถึงบุตรนี้ถึงสิบสองปีแต่หัวใจแห่งบุตรของเรากระด้างเหลือเกินไม่มีความเยื่อใยในเราเลยประโยชน์อะไรด้วยความรักในบุตรเช่นนี้นางตัดอาลัยในพระเถระแล้วบาเพ็ญสมณธรรมบรรลุพระอรหัตผลในวันนั้นทีเดียว ส่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าท่านทั้งหลายพระกมุมารกัสดับและพระเถรีผู้มีอุปนิสัยอย่างนี้ถูก พ, พระเทวทัตทำให้เสื่อมเสียแล้วแต่พระศาสดากลับเป็นที่พึ่งของท่านทั้งสองนั้นน่าอัศจรรย์จิงเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้อนุเคราะห์โลกพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราเป็นที่พึ่งที่พำนักของคนทั้งสองเพียงในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัดนิโครธชาดกเป็นใจความว่าเจ้าหรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อนิโครธเท่านั้นอย่าคบเนื้อชื่อสาขะความตายในสํนนักเนื้อชื่อนิโครธประเสรดกว่าส่วนความเป็นอยู่ในสํานักเนื้อชื่อสาขาไม่ประเสริฐเลยทรงประชุมชาดกว่า เนื้อชื่อสาขาเป็นเทวทัตบริษัทของเนื้อชื่อสาขาเป็นบริษัทของพระเทวทัตแม่เนื้อตัวถึงวาระถูกฆ่าเป็นพระเถรีบุตรเป็นพระกุมารกาัสดส่วนเนื้อชื่อนิโครดผู้สละชีวิตแก่แม่เนื้อผู้มีคันคือเราตถาคตนี่เองเมื่อจะทรงประกาศความที่พระเถรีตัดความรักในบุตรทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนนั่นแหลจึงตรัสว่าภิกษทุทั้งหลาย บุคคลอาศัยผู้อื่นไม่สามารถจะไปสวรรค์หรือทำมากผลนิพพานให้แจ้งได้เพราะฉะนั้นตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นที่พึงของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึงได้ดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมว่าตนเป็นที่พึงแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะาเป็นที่พึงได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึงซึ่งได้โดยยากมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ตน้น